บทที่สองอัลบากอโรแนะนํำบทอัลบากอโรบทอัลบากอโรเป็นบทมาดานิยะห์มีสอง้อยปดสิบหโอมการถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนาบีมฮัมมัดสโลลลอฮุอาไลวาซัลลัลลมได้อพยพไปอยู่ที่นครมัดินาแล้วเป็นบทที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานในบทนี้มีสาระที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้เรื่องอกดาีา หลักศรัทธาเชื่อมัน่นการให้เอกภาพต่อร้องเรื่องอิบาดาเช่นการละหมาดการถือศิ่งหนวดการบริจาคละกาบและการประกอบพิธีฮัจ์เรื่องสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันเรื่องจระยะิยธรรมและมัญยาาต่างๆที่ควรปฏิบัติเรื่องการแต่งงานการอย่าร้าง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 บทที่สมมูนาฟิกิซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมายด้วยกันเช่นพวกหน้าไายหลังหลอกพวกกลับกรอกหรือพวกช่อฉนเป็นต้นมนุษย์ทั้งสามประเภทมีนั้นได้ถูกบ่งบอกให้ทราบถึงแกนแท้ของแต่ละกลุ่มแล้วในที่สุดเราก็ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนดีและกลุ่มไหนเป็นคนไม่ดี ต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึงการบังเกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะไลฮิสลัดและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาดัมต่อจากนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวคัมภีรหรือที่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอัลลุตกิตะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องของชาวยิวหรือยิฮูดีอันเนื่องในการที่พวกเขามีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมาดีนะซึ่งพระองค์ได้ทรงเตือนให้บรรดามุส穆斯林ระมัดระวังพวกเขาอยู่เสมอ เพราะพวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเช่นบิดพริวสัญญาหักหลังให้ร้ายป้ายสีสร้างความปั่นป่วนมุ่งร้ายต่อมุสลิมอยู่เสมอซึ่งเรื่องราวของชาวยัฮูดีนั้นเริ่มตั้งแต่องการที่สี่สิบของบทส่วนบัญญัติต่างๆที่ระบุไว้ในบทนี้ที่สำคัญก็คือการถือศีลอดการทำฮัจ์และอุมรอการต่อสู้ในทางขอรอ เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นการแต่งงานการหย่าร้างการเก็บตัวหลังจากการหย่าร้างการให้นมเด็กห้ามแต่งงานกับหญิงที่กราบไหว้จเจวิตและห้ามมีเพศสัมพันธ์กับพัญยาขณะที่นาง น, นั้นมีรอบเดือกเรื่องดอกเบีย้ยและสิ่งที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยในตอนท้ายของบทนี้พระองค์อัลลอสุบฮานวะตาลาได้เตือนให้มนุษย์ระวังวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้น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 คัมภีร์นี้ไม่มีความสงสัยใดๆ น, น, นั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ และปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาคและบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้ามุฮัมมัด และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและต่อวันประโลกนั้นพวกเขาเชื่อมันอุลาอิคะลาฮุดัมรับบิฮิม و أ อ ل ล ا ئ ِ ك َ هُمُ ا ل ْ م ُ ف ح و ن ชนเหล่านี้คือผู้ที่อยู่บนทางนำที่มาจากพระผู้บานของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสาเร็จ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 م م และจากกลุ่มชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่อลอและวันประโลกแล้วทั้งทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่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 อลาอินนะหุมหุมุลมบสิดูนวลาคิลลายชอรูนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้ที่กอความเสียหายแต่ถ้ว่าพวกเขาไม่รู้สึกว่อิด้าคีลละหุมอามินูคมาอมนันนาสกาลู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 ผู้ฉวยเขาเหล่านั้นศรัทธากันกระนั้นหรือพึงทราบเถิดว่าพวกเขาเองนั่ น, นเป็นผู้ที่ฉวดเขาแต่พวกเขาหารู้ไม่าาออลลนนมม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 แท้จริงเราเพียงแต่เป็นผู้เยอะอย่างเท่านั้นอัลลอฮจะทรงเยอะอย่างพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาจมปลักอยู่ในการและเมื่อต่อไป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 م ثل ه ่มค ثل เด็กสโต و ق ดนาเร่ฟลั่มาอัฏฐาต์มุ ذهب الله بنور ิห ذهب الله بنور ิห์ ت ว่ารักห์มฝีดูลมาติลายุบสิอุปมาพวกเขานั้นดังอุปไมาผู้ที่จุดไฟขึ้น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 ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได้ หรือดังอุปมายฝนที่หลั่งลงมาจากฟ้าควาโดยที่มีทั้งความมืดฟ้าร้องและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้วมืออุดหูของเขาไว้อันเนื่องจากฟ้าผ่ทาทั้งนี้เพราะกลัวความตายและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมพวกเขาปฏิเสธศรัทธาไว้แล้วยดาาุุลบรอ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 ยออะันนบดู يا أيها ا ل ن ั س عبود ربكم الذي خلقكم والذين من ق ب ล ك م لعلكم ت س ะ ك و ن โอมนุษย์ทั้งหลายจงเคารพพักดีพระผู้พิบาลของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะยังเกรง الذي جعل لكم الأرض ف ر ا ش ا و والسماة ب ن ا ء ً وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا وأنتم تعلمون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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ع ب د ن ا فأتوا ب ُ و ر ة من مثله فأتوا ب ُ و ر ة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 แต่ถ้าพวกเจ้ายังไม่ได้ทำและจะไม่ทำต่อไปแล้วก็จงระวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลงของมันคือมนุษย์และหินโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สมหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทา وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به م ت ش ا ب ه ا และเจ้ามุฮัมัดจงแจ้งข่าวดีแก่ บ, บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับสวนสวนรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ขั้นใต้นั้น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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أ َ ي يَضْرِبَ مَثَلَ مَا بَعُوضَةٍ فَمَا تَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ َأَمْ مَنْ مَاذَا لَجِينَ فَيَقُولُونَ يُضِلُّ بِهِي كَفَرُوا كَثِيرًا كَثِيرًا وَيَهْدِي ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا بِهِي بِهِي مَثَلًا يُضِلُّ ท่านลลจะไม่ทรงละอายในการที่จะยกอุทาหรนใดๆขึ้นเปรียบเทียบ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 คือบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลลอะ์หลังจากที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ต่อและทำความเสื่อมเสียหน้าผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขัด พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรทั้งๆที่พวกเจ้าเคยปราศจากชีวิตมาก่อนและพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นในโลกนี้ ภายหลังก็สรงให้พวกเจ้าตายแล้วก็สรงให้พวกเจ้านั้นเกิดขึ้นมาอีกในประโลกแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนํากลับไปสู่พระอุต <h> ิหวัลลดีคอลักลนคุมมาฟิลอรรดจมีอันธุมมัสตวาอิลัสสมา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 ทั้งๆ ท, ที่พวกเราให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสันเสริมพระองค์ท่านและเธอทูลความบริสุทธิ์แก่พระองค์ท่านพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้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 แท้จริงพระองด้านคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ พระองค์ตรัสว่าโอ้อาณนาะเจ้าจงบอกบรรดา น, นามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเข้าที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 ต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลาน่า adam ก็ได้เรียนรู้คำบิงบวนจากพระผู้บานของพวกเขา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 ยาบนีอิสราเอลลรูนมตีทีอันอามตุเอายมะอฟูบ์อีอูฟูบอุมวอียายฮะบูนโอ้วงวาน يل, อิสราเอลเอยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้า และจงรักษาสัญญาของข่าให้กรบทวนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบทวนและเฉพาะข่าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรดูวะอามินูบิมาอันจลทุม صدِّق ัลลิมามาะคุมวะลา تكون อัววลคาฟิริมบิฮ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 และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระละกาและจงรูกวัวร่วมกับผู้รูกวัวทั้งหลายบบร พวกเจ้าใช้พวกคนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นนึกทั้งๆที่พวกเจ้าก็อ่านคำพีกันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกพูกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถอะ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 يا بني إسرائيل اذكروا ن ع م يالتي ن ع م ت عليكم و ن ي ض ل ت ك م على العالمين โอวงวานอิสรา e เลอลจงดำลึกถึงความโปรโดปรานของข้าที่ข้าได้โปรโดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไวเ้เหนือประชาชาติทั้งหลาย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 และค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือคย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 และในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ า, า, าจงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากพิรุ และได้ให้เฟรโอรอนนั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่ ا أ م م และจงรำลึกถึงขนาที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้สี่สิบือแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะ หลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อาถรรพ์มมแล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะาขอบคุณวละอิดอาีลนามุสลิขาบะวัลกุรอานลัลละคุมเถอะเจจู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 และน่วงดำลึกถึงขนาที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน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 َظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ ال وَالْسَّلْوَا ُلُوا وَزَقْنَاكُمْ أَنْفُسَهُمْ แลวเราได้ก้อนเมฆบดบางพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อันมันนะ และอัชัวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที <the> ่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อธรรมแก่พวกเราไม่เทาะว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก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 และจงกล่าวว่าฮิดจ oh ์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะเอาไพรโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย <ç uk rewind light>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 ล ah um. และจงดำลึกถึงขณาดที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขาและเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้า และแล้วตานามสิบสองตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยย่างชีพของอัลลอฮเถิดและจงอย่าก่อกวนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้บวชทำลาย وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن ّ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ ف َ د ْ ع ُ لَنَا ر َ ب َ ك ف َ ا ْ ع ُ لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا ت ُ و ب ِ ت ُ الْأَضْرَ م ِ ب َ ق ِ ل ِ ه َ ا وَقِفَائِهَا ّ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأن เลาจงดำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้อวยพของท่าน ให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเหนือขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถัว่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นนึกพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมือนใบตุลมักดิทธเถอะ แล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอ์และยังสังหารบรรด า, าศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรมดังกล่าวนั้น ก็ได้ความดื้อดังของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขตอินนัลลดีนอามนุวัลลดีนัฮัดุวลนชาระอัลซับอีนวัสซับอีนมันอาเมนับิลลาฮิวัลยูมิลอัลิร์วะมิลาซาลิฮา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 โดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจและจจงดำลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้า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 แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หากอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขาดทุนและแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิดจับสัตว์น้ำในวันเสาร์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 ت ت และจ้องดำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแท้จริง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 พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้บาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพรงก็จะส่งแจ้งให้พวกเราว่าวัว น, นั้นเป็นอย่างไรมูซากล่าวว่า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 ถ้าจริงวัวตัวนั้นมันคล้ายคล้ายแก่พวกเราและหากอัลลอ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้องอ ล, ออ ล, ล, ล, ลอรรลอลลลอบ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 แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวในทำนองนั้นแหละอลลอฮจะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพรอม ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطت فيخرج منه الماء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 พวกเจ้ายัางโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นเด้อทั้งๆ ท, ที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดํารัตของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้ว ทั้งๆที่พวกเขารู้ดีอยู่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 แท้จริงอัลลอฮนั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยและในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาไม่รู้คำพีนอกจากความเพ้อฝัน لبقى هامي فويل اللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من د ل د ل الله ثم يقولون هذا من ع ِ ن الله ل ي ش ت ع و ا به ثمنا قليلا فويل لهم من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 หรือว่าพวกเจ้าอุปโลกความเท็จให้แก่เราในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้าหาเช่นนั้นไม่ผู้ใดที่สแสวงหาความชั่ว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 คือชาวสว่าโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล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 และจงทําดีต่อบิดามารดาญาติาที่ใกล้ชิดเด็กกําพร้าและผู้ขาดสนและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระจากาศแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบียนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผิดหลังไ้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 وتخرجون ف ر ق ا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان و إ ي أ ت ك م مسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أ ف َ تؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض َمَا مَنْ مِنْكُمْ خِزْيُمْ وَيَوْمَ جَزَاءُ ذَارِكَ إِلَّا الدُّنْيَا يُرَدُّونَ يَفْعَلُ فِي الْحَيَاةِ الْقِيَامَةِ الق إِلَىٰ الْعَذَابِ ال اللَّهُ أَشَدِّ وَمَ بِغَافِلٍ تَعْمَلُونَ ภายหลังพวกเจ้านี่แหละค่าตัวของพวกเจ้าเอง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 อุล่าอิค الذين اشتروا الحياة الدنيا า ا ل ا خ ر ة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ي ن ص ر มยุนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปรโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะ ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย แพตติเราได้ประทานคำพีแ์แก่มูสาและเราได้บรรดาศ า, าศาสนาทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซาบุตรของมารยาและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์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 ب َ أ م َّ ا ش ت َ ر و ا بِهِ أ َ ف ُ س َ ه م أ أن َ ي َ ف ر و ا بِمَا أ َ ز َ ل اللَّهُ ب َ غ ي ً ا أ َ ي ن َ ز ل اللَّهُ م ِ ن ف َ ض ْ ل ِ ه أ َ ي ُ ن َ ز ل اللَّهُ مِنْ ف َ ض ْ ل ِ ه ع ل ى م َ ن ي ش ا ء م ِ ن ع ب َ ا د ه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 ในหมูป่ปวงบบาวของโปรดังนั้นพวกเขาจึงนำมาความคกลิวโกรธซ้อนความคกลวโกรธกลับไปอย่างโกรดและสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นจะได้รับการลงโทษอันต่ำต้อยว่าอิดาฮีลละเุมอามินูบิมาอันซัลลอหุท า, าล قالوا نؤمن بما أنزل علينا و ي ف ر و ن بما ر ء ه وهو الحق مصدقا لما معهم ق ل ف لما تقتلون يا الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ل م ا ز ت َ ع ََ ه و ا ل َ ا ك و ل م َِ ك و َ ا ل ل َِ ا م َ ا و ا ل َْ ل ََِ ل و ََ ا ل ل َِ م َِ ل ك م ِ ل م ََ ل ََ ك َ و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 พวกเจ้าจึงฆ่าบรรดานาบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงมูซาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแต่พวกเจ้ายึดเอาลูกอัวหลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อารร وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ت َ ق َ ط ُ م ٍ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ك ُ م ْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِكَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن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 ลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามุฮัมมัดจงกล่าวเถอดว่าช่างชั่วช้าจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา “قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون ن, ف ن ا ف م ن الموت إن كنتم صادقين” มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าถ้าหากสถานพรมนักแห่งปรโลกณนะัทที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วเราก็ จงหวังความตายเถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริและพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและล้นนั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อาจทมเหล่านี้ ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون ل ن แน่น ا، ت ف د พบ ه. พวกเขาเป็นคนห่วงใ ย, ยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาพู้ให้มีภาคีขึ้นแกะละอชี้คนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปีและมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลจากการถูกลงโทษไปได้ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทากันอยู่ قل من كان عدو ولجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين محمد تنقل ع و َ ك َ ي ْ د ِ ك َ ي ْ د َ ي ْ ن َ ن ْ أَنْتُمْ ِ ن ْ ه م َ ا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 ลลลลใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลละ์มาลายกากของพรุ่งบรรดาศาสนาทูตของพรุ่งยิบ ร, รอยินและมิงกาอินนแทจ้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านัยนา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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضار نبه من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا ش َ ر <an> َ و <se al> <an> ْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ลบัวเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุไลมานอ่านให้ฟัง นัสุเลยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ทว่าชัยตอนเหล่านั้นตังหาที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสายศาสตร์แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลกิกะทั้งสองคือฮารุดและมารุดณเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้น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 แน่นอนผลตอบแทนนะที่อัลลอ์นั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออีนาแต่จงพูดว่าอุนซุรนา และจงฝังและสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บَสบ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 แฟ้จริงอัลล่อน่ะส่งมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพันดิกพวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆอื่นจากอัลล่ะอัมทุรีดูนอันตส أ ลูรสูลคุมขมาส ئ ลมูซ้ามินกับลว่ามันยะบัดดลิลคุฟรอบิลอีมานภักด ض ลลสวาสสบีล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 و َ ا ل د َّ ك ِ ي ر مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ لَوْ ي َ ر ُ د ُ و ن َ ك ُ م م ِ ن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا مِنْ ع د أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ ع د ّ أ ن ف ُ س ِ ه ِ م م ِ ن بَعْدِ مَا ت َ ب ي ن َ ل َ ه ُ م م ِ ن َ ع د مَا ت َ ب ي ن َ لَهُمُ الْحَقُّ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 ดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัยและทาเป็นไม่รู้เสียจนกว่าอัลลอด์จะประทานคำสั่งของพระองค์มาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งลละะลสลดค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 ق ا ل و ا لي يدخل الجنة إلا من كانه دن أو نصوا تلك أمانهم قل هاتوا بقها نكم إن كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรค์เลยนอกจากผูท้ทิเป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้นนั่นเป็นความเพ่มฝันของพวกเขา โมมาจงกล่าวถึดว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิงาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอ โดยเขาเป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณนะพระผู้บานของเขาโดยไ ม, ม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจวกลทิลยาูดินาชวากลาินลิลยาูดชไว่าฮมยทลูนัลคิทาบ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 ออออุุุลลลคคมนดีแล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หวงห้ามมสัสยิดของอโลห์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมสัสยิดเหล่านั้น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 อพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วพระองค์เพียงแต่ประกาศสิทธิ์แก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็น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 และความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับศัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าววายและเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชวนร ولن تضيعك اليهود ولنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله ه والهداة ولئن ا تبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك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 บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำภีแก่พวกเขาโดยที่เขาจานคำภีนั้นอย่างจริงใจชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคำภีนั้นแต่ถ้าผู้ใดปฏิเสธคำภีนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุก يل, โอ้วววอิสราเิลจงดำลึกถึงความโปรดปารานของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชาติทัาง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 และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้บานของอิบรยฮีมเด็ดทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการและเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองค์ตรัสว่าแท้จิข้าใช่เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาต เขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพรองตัดว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรม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 จากมะกอมที่ยืนของนบีอิบรอฮิมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งเสียแก่อิบราฮิมและอิสมาอิลว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบัรดาผู้ตะวับและบัรดาผู้เอียติกาบและบัรดาผู้รุ ก, กัวและสุย وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آمِنَ و َ ر َ ز ُ ق َ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ و َ م َ ن كَفَرَ فَأُمَتِعُ قَلِيلًا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 إن أن ال และจงดับลึกถึงขนาดที่อิบราฮีมและอิสมาอิลได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าวยิ่งบอนว่าโอ้พระวิบาลของเราได้โปรดรับจากพวกเราด้เถิด แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระง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 แลเอิบรอหีบได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทานมันและยากูป ก, ก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกๆของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกาศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นอันขาด أ َ م ْ ن ُ و ْ ت ُ م ش ُ ه َ د َ ا ء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ا ل م َ و ْ ت ُ إِذْ قَالَ ل ِ ب َ ن ي ه ِ مَا تَعْبُدُونَ م ِ ن ب ع د ي مَا تَعْبُدُونَ م ِ ن ب ع د ق ا ل و ا ن َ ع ب ُ د ُ إ ل ه ك َ و َ إ ِ ل َ ه آ ب ا ئ ِ ك َ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ و َ إ س م ا ع ي ل َ و َ إ س ح َ ا ق َ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 มุฮัมมัดจงกล่าวเถอหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบราฮีมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหาและเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุด وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُتي موسى و ي س َ ا ق وما أُتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. <تصفيق> เราได้ศรัทธาต่อเหรและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ประทานลงมาแก่อิบรอฮิมอิสมาอิลอิสฮะยาคูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอิชาได้รับและสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพราผู้บานของพวกเขาพวกเราไม่ได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนวนต่อพระองค์เท่านั้น และถ้าหาพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วแน่นอนพวกเขาย่อมได้รับทางนำที่ถูกต้องและหาพวกเขาผินหลังให้แน่นอน พวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันแล้วอัลลอฮ์ก็จะส่งให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขาและพระองค์นั้นเป็นผู้สรงได้ยินผู้ส่งรอบครูญิลล่งการย่อมของอัลลอฮ์และใครเล่าจะย่อมดีไปกว่าอัลลอฮ์และพวกเราจะเป็นผู้เคารพภักดีต่อพระองค์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 ق ล่าทَุ م ัลล م มอ ل มิลลา أظلم مما كتم شهادة عنده من الله و من الله بغافل عن ما تعملون หรือว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าแทจิบรอยิฮิสมัยอิสรยาคบและบรรดาวงวาเหล่านั้น เคยเป็นยิวหรือเป็นคริสมุฮัมมัดยงกล่าวถว่าพวกเจ้ารู้ดียิ่งกว่าหรือว่าอาลัลลอะ์กันแนะและผู้ใดจะาทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอาลัลลอะ์ซึ่งมีอยู่ที่เขาและอลอนั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากรมมะทำ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 Ah ā ā um ah บรรดามานุษย์ผู้โฉดข่าวนั้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากกิบลัด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 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي ك م ت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبه ي รายในทํานองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสถขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและรอสูงก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้า และเราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งคิดประหลักที่เจ้าเคยผินหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้านที่จะปฏิบัติตามเราศูนย์จากผู้ที่กำลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับและแท้จริงการเปลี่ยนแปลงคิประหลันั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อวล้อทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอล้อนนั้นจะทาให้การศรัทธาของพวกเจ้าศูย์ไปก็หาไม่แท้จริง ا ل ل ه ا ب ن َ ن َ ب َ ي ْ مِنْ ب َ ا ن َ ا م ِ ن ر َ أ َ ي َ ا ه م َ ن ت َ م ُْ ر َ أ ت َ ه ُ و ََِ ن ه َ أ َ ي ْ ت َ ه ُ م ْ و َ أ َ ن َْ م ِ ن ْ ه ُ م ر َ أ َْ ه ا ف و َ أ َ ن َ م ْ ه ُ م ر َ أ ََْ م ْ و َ أ ْ ت م ِ ن ََْ ي ت ُ م ْ و ََ ن ْ ت َ مِنْهُمْ ر َ و َ ي ْ ه ُ م ْ و َُ م ْ ر َ ط َْ ه ُ ถ้าจริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงานไปในฟากฟ้าบอ่อยครั้งแน่นอนเราจะให้เจ้านั้นผินหน้าไปทานกิบรัตที่เจ้าพึงพอใ จ, จาังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้า ไปทางมสิทธารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับคำภี่นั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระพุยบานของพวกเขาและลอโลนั้นไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำกันว่าเล่นอัลกิลล์ดีนอูตุลคิทาบบิคุลลอัยติ ม, มาตบิอูกิบลตั َمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ َمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْضٍ َلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ مِنْ مَا مِنَ الْعِلْمِ مِنَ بَعْضِ جَاءَكَ إِنَّكَ إِدَلَّ الظَّالِمِينَ และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่าง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 บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำภีแก่พวกเขานั้นพวกเขาย่อมรู้จักเขาดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขา และแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นปิดบังความจริงไว้โดยที่พวกเขารู้ดีอยู่อัลฮักษุมิรรับบิคภาลาทะคูนันมินัลมุมชรีนความจริงนั้นมาจากพระผูดวิบาลของเจ้าดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันค่ะวَ لِ คุ ل ลّวิจْหَทุนหวَมُวَลِّี ْحَا ف สตบิคล์ขอย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 มันคือความจริงที่มาจากพระพิบาลของพูกเจ้าแล้วล้วนั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำ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 และจะทําให้พวกเจ้านั้นทราบบริสุทธิ์และจะสอนคําพีและข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มา ก, าก่อก น, นตอนนั้นพวกเจ้าจงดำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะดำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงอย่านในระคุณต่อข้าเลย บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการทำละหมาดเถอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ا عتمر فلا جناح عليه أ ن ي ط و ف بهما و م ن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بكاو صفا <تصفيق> مروانا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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ أَنْجَلْنَا مِنَ مَا الْبَيْنَاسِ مِنْ وَالْهُدَى فِي ท่านี้บรรดาผู้ทิดบางหลักฐานอันชัดเจนและทางนั้นันถูกต้องที่เราได้ลงมา หลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคมภีร์สําหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละที่ลอตจะส่งสาบแช่งพวกเขาและผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วย وا وأ นอกจากผู้ที่สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออินนัลลทีนักฟรุวะมาตุวะห์มกุฟฟารอุลัยคากะเลยหิมลางเนตุลอัลลอฮอลัยค์กะเลยห์มลางเนตุลอัลลอฮีวัลมาอีกต์วันนัสอะจมัย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 إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما ن ز ل الله من السماوات. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا و َ ب َ س َّ ف ِ ي ه َ ا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِرْجِيَاحٍ وَتَصْرِي ف ِ ا ل ج ِ ي َ ا ح ِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ <تصفيق> ในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันและเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยเครื่องอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์และน้ำที่ล้อได้ส่งให้หลั่งลงมาจากฟ้าคว้าแล้วส่งให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำนั้นหลังจากที่มันตายไปแล้วและได้ส่งให้สัตว์แต่และชนิดแพร่สะพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทาง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 َالَّذِينَ آمَنُوا حُبَّاً اللَّهِ وَلَاوْ لِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ الْقُوَّةَ لِ اللَّهِ إِذْ يَرَى يَرَوْنَ جَمِيعًا وَأَنَّ أَشَدُّ شَدِيدُ اللَّهَ และในหมูมนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดเอาภาคีอื่นนอกจากอัลลอ์ซึ่งพอเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลล์ แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอลัลลอฮ์มากยิ่งกว่าและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตรรกดีว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง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 วร <ý st ā> และบรรดาผู้ติดตามได้กล่าวว่าพวกเรามีโอกาสกลับไปมีชีวิตใหม่ในโลกนี้อีกครั้งหนึง่งเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้านเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเราในทานองเดียวกันนั่นแหละ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 โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผน่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าเดินของชายตอแท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจ้งของพวกเจ้า <S <S ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่วและสิ่งลามกเท่านั้นและจะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเท็จแก่ล้ะในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้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 ซุม่มบุคคลหนุ่มๆ فهم ไม่ عقل ล, ละอุปมารบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นดังที่ผู้ส่งเสียงตวาดสิส่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียกและเสียงตะโกนเท่านั้นพวกเขาคนหูหนวกเป็นใบาตาบอดตอนนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจยาอิยูฮ์ وا وا บรรดาพุทธทาทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณตลอเถอะหากปรากฏว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจัดเป็นผู้เคารพสการ إنما ح ر م عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل ب ه لغير الله فمن اضطر غير ب ا غ ولا عدم ا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 إ ن ّ ا ل ّ ذ ي ن َ ي َ ك ْ ت ُ م و ن َ مَا أ َ ن ز َ ل َ اللَّهُ مِنَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ ي َ ش ْ ت َ ر و ن َ ب ِ ه ث َ م َ ن ا ق َ ل ي ل ا وَيَشْتَرُونَ ب ِ ه ث َ م َ ن ا ق َ ل ي ل ً ا أ ُ ل ا ِ ك َ ا ي َ أ ك ُ ل و ن َ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ا ل ن َّ ا ر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 นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคำภีลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคำภีนั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล ولكن البغض من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذ و ي ا ل ق ر ب ى و ا ل ي ت ا م ى والمساكين وبن ا السبيل والمساكين وبنال ا سبيل والسائنين و ف ر قاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا ا والصابر ي ن في البأساء والضراء وحين البئس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 ทั้งๆ ท, ที่มีความรักในทรัพย์นแก่บรรดาญาติสนิทและบรรดาเด็กกำพรา้าและแก่บรรดาผู้ที่ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่าทาและเขาได้ปฏิบัติละหมาดและได้การชำระละการและคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วนเมื่อพวกเขาได้สัญญาไว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 فمن لَهُ ذَالِكَ ผ ذا ู้สัทาทั้งหลายการประหาร้าตกรให้ตายตามในกรณีที่มีถูกข่าตาย ได้ถูกกำหนดแก่เจ้าแล้วคือชายอิสระต่อชายอิสระและท่าต่อท่าหญิงต่อหญิงแล้วผู้ใดที่มีสิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอาภาัยให้แก่เขาแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้จําระแก่เขาโดยดีนั่นคือการผ่อนปลนจากพระผู้บานของพวกเจ้าและเป็นความเมตตาด้วยแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสดและในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการถนงไว้ซึ่งชีวิตสําหรับพวกเจ้าโอ้พูมีสติปัญญาทั้งหลายคือว่าพวกเจ้าจะได้ย่ำเคร การทำพินัยกรรมให้แก่ผ <mesan> ู <right> ้บังเกิดกล่าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดโดยชอบทำนั้น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 และผู้ใดเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้วโทษเด็งการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบผูกแะมันขอสำมมูซีเจลัฟน์อู่อิสมา فأصلح ะ ي ن ه م فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم และผู้ใดเกรงว่าผู้ทาพินัยกรรมไม่มีความเป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทาความผิดโดยเจตนาแล้วเขาได้ประณีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอ๋ะเป็นผู้ทรงอาภัยผู้ทรงเมตตาสสมอ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 أيام ا معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أ خ ر وعلى الذي ن يطيق و ن ه فدية طعام مسكين، فمن ت ط و ع خيرا فهو خير ل ه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 อันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่งแก่คนขัดสนคนหนึ่งต่อการงดเว้นจากการถือหนึ่งวันแต่ผู้ใดกระทมความดีโดยสมัครใจมันก็เป็นความดีแก่เขาและการที่พวกเจ้าจะถือสินโ น, นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้า ร, ร هدى للناس وبيناهم من الهدى والطهران ف م ن شهد منكم الشهر فليصم وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى س َ ف ر ٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أ ُ خ َ ر َ ى ُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ يُرِيدُ وَلَا الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الع اللَّهَ هَدَاكُمْ اللَّهَ هَدَاكُمْ بِكُمُ وَلِتُكَبِّرُ ش เดือนอุมาดอนเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์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 และไม่ทรงให้มีความยากลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือรอโมดอนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเรลียนไก่แด่เอลอในสิ่งที่พระองค์แนะนาแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณีีกนนรบ ุีบดดดาดาาและเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบเถิดว่าถ้าจิงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนรรของผู้ที่วิงบอนเมืรร่อเขาวิงบอนขอแต่ข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับค่าเธอและสถาต่อข่าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องอุธิลละคุม ل ลลตักษยาบิรรรภัตุอิลาลิศ اء คุมหุนลิบาทุลละคุมว่าอันทุมลิบาทุลละคุม علم الله أنكم كنتم تختان و ن أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم و وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام ا إلى الليل ولا تباشروهن ا وأنتم معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ي ت ق و ن د ด้เป็นที م ت ك ف มัติแก่เจ้าแล้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 ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นในธรรมนองนั้นแหละอลัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของโครงแก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง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 يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البتض من ا ل ت ق ا وأتى البيوت من أدواتها واتقوا الله لعلكم تفلحون.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 وقتلوهم حيث فقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والكثنة أشد من القتل ولا تقاتلواهم عدا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 และจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าการต้านภาคีต uh> ่อลอดจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิบัติ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อาทรรพเท่านั้น أَشْشَهْرُ بِالشَّهْرِ عَلَيْهِ اللَّهَ الْحَرَامُ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِمِتْلِ عَلَيْكُمْ فَمَنِ فَاعْتَدُوْ فَاعْتَدُوْ اعتَدَىٰ قِصَاءِ وَاتَّقُوا ن เดือนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามและบรรดาสิ่งจาเป็นต้องเคารพนั้น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 และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของ a l ะและจงอย่ายโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพินาศและจงทำดีเถิดแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงชอบผู้กระทำความดีทั้งหลาย ولا تحلق و ا رؤسكم و حتى يدلق الهدى م ح ل ه فمن كان منكم مريضا أو به أذم الرأسه فتديه ف د ي ة من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أ م ن ت م فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدى فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام วและพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์กับการทำฮัจ์และการทำอุมรเพื่ออัลลอฮ์เถิดแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกัน้นก็ให้เชือดสัตว์คลีที่หาเด้ง่ายและจงอย่าโกนศีรษะพวกเจ้าจนกว่าสตว์คลีนั้นจะถึงที่ของมัน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 فَمَنْفَرَضَ ف ِ ي ه ِ ن َ ا الْحَجْ فَلَا ر َ ف َ ع َ وَلَا ف ُ ز ُ و ق َ و َ ل َ جِدَالَ فِي ا ل ْ ح َ ج ّ وَمَا ت َ ف ْ ع َ و ُ مِنْ خَيْرٍ ي َ ع ْ ل َ م ه ُ ا ل ل َّ ه وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى و َ ا ت َّ ق ُ و ن لِيَأُو لِلْأَلْبَابِ. เวล م ทำ حج ْ ن ้ ا م ีอยูหลายเดือน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 ميبن ل ي َ عليكم جناح أن تبتغوا ظلما من ربكم فإذا أفظت من م عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام. ไม่มีโทษใดๆแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระพุบาลของพวกเจ้าคั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟะแล้วชงกล่าวรำลึกถึงอัลลอนะ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 มมมินนนลสยกูรอออบบฟดุครั้นเมื่อพวกเจ้าประกอบพุธีหาชของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่า โอ้พระวิบาลของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเธอและเขาจะไม่ได้รับส่วนดีๆใ ด, ดในปรโลกวะมินหุมมันยะตูลรับบนาอาธินาฟิดดุนยาฮาสนะชัววะิลอาคิรฟิฮาสนะ บบลและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระพุยบาลของพวกเราโปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในปรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด S <S <an> อลชนเห ล, ล่านี้แห ล, ละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้สแสวงหาไว้และลอ้นั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการชำระสอบสวนว่าการเรียกพระเจ้าในวันที่จะมา ل ل ال และพวกเจ้าจนกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วผู้ใดรีบ ก, กลับในสองวัน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 แล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่บรรดาปวงเบาทั้งหลายยาอยลีนาอมนดูลสิลมิคาแตวาตวชยนอินนะฮลกุมะดูมบีนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าก้าวเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของไชตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าแต่อิลัลทุมมิ่ง ب ع د ะถ้าพวกเจ้าหันเหออกไปหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้ว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 د د เจ้ามูฮัมหมัดจงถามวงวานอิสรอเอลดูเถิดว่าสัญญาณชัดแจ้งที่มากน้อยแล้วที่เราได้นำมาอย่างพวกเขาและผู้ใดเปลี่ยนแปลงความปรานาของอัลลอฮ์หลังจากที่มันได้มาอย่างเขาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ลง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 และพวกเขายังเย่อหอยั่งบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันปรโลบแล้วลอสจะทรงประธานปัจจัยอย่างชี้แก่ผู้ที่รปรุงผสมโดยปราศจากการคำนวณนับแกนนนั้มุดว فبعث الله النبّيّين مبشّرين و م ن ذ ر ي ن وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه. و َ م َ ا خ ْ ت ل َ ف َ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ب َ غ ْ ي َ ا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خ ت َ ل َ ف ُ و ا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى ص ِ ر َ ا ط ٍ مُسْتَقِيمٍ มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันภายหลังอลัลลอฮได้ส่งบรรดาศ า, ศาสดามาในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและได้ทรงประธานคำพีอันประกอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาด้วยเพื่อว่าคำพีนั้นจะได้ตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและไม่มีใครขัดแย้งกันในคมภีนั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีนั้นมา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 ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเตี่ยงตรม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 พวกเขาจะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างมุมดตุงกล่าวเถิดว่าทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไป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 ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวแก่พวกเจ้าแล้วล้อนั้นทรงรูงน้นีแต่พวกเจ้าไม่รู้ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله و ا ل ك ث َ ة أكبر من القلة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا لكم عن دينكم إن استطاعوا ومن ي ْ ت ع د منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك فأولئك َِ حبطت ََِْ أعمالهم ََُُْْ في ِ الدنيا َُّْ والآخرة ََِِْ وأولئك َِ أصحاب ََُْ النار َِّ هم ُْ فيها َِ خ َ ا ر د ُ و ن َพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องหา้าการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตในการขัดขวางให้ออกจากทางของอัลลอฮฺและการปฏิเสธศรัทธาต่อพู้ และการกีดกันไม่ให้เข้ามาสัสยิดฮรอตลอดจนการขับไล่ชาวมาสัสยิดฮะรอออกไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าหน้าที่อัลลอฮ์และการกิจณนะนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าการท่าและพวกเขาจะยังคงต่อสู้พวกเจ้าต่อไปจนกว่าพวกเขาจะทำให้พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของพวกเจ้าหากพวกเขาสามารถและผู้ใดในหมู่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 อินนั้ลทีนัอัมนำูและทีนัฮาจูและเจห์ดูฟิทบิลลลฮีอุลัยค์ะยูรจูนรัห์มัตอลลอฮ์ وال ลอฮฺกัฟูรุลรฮิมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพและได้ต่อสู้ในทางของลอรนะ์นั้นชนเหล่านี้แหละที่หวังความเมตตาจากลอร์ ويسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك علية ما قل إصلاح لهم خير وإن ت خ ا ِ ط ه م فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ว่าละตเคห์ลมุชริกาต์ حتى يؤمن ولا أمته مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبده مؤمن خير من, من, من مشرك ولو أعجبكم และพวกเจ้าจงหย่าแต่งงานกับมุชริกจนกว่านางจะศัพทา และแน่นอนธาตหญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุสิกแม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็าตามและพวกเจ้าจงอย่าให้นางแต่งกับชายที่เป็นมุสิกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาและ้าชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุสิกและแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็าตาม ชนเหล่านี้แหละจะชักชวนไปสู่ไฟนรกและอลัลลอฮ์นั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์ลและไปสู่การอภัยโทษ ด, ด้วยอนุมัติของพระองค์และพระองค์จะทรงแจกแดงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึกวสลนอิม ُلْ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ الْمَحِيضِ وَلَا اللَّهِ هُوَ تَقْرَبُوهُنَّ يَطْهُرْنُ تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ الْتَوَّادِينَ أَذَاً فَإِذَا فِي حَتَّى حَيْثُ يُحِبُّ مِنْ أَمَرَكُمُ الْمُتَطَهِّرِينَ ق وَيُحِبُّ ب และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับ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 กลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาดนิซ่าอุุมลลุคุมเฟตูฮาร์ตุคุมอันนาชิค ك มวัดดิ ا ู ل ลอัลฟุซุมวัดตะลุลลาฮ์วะลัมูอันบรรดาหญิงของพวกเจ้านั้น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 และในการที่พวกเจ้าจะปรณีประนอมระหว่างผู้คนแล้วร้อนั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรู้ยิง่งและอาิุลลอฮบิลวฟีไอมานุลีอาิคุบีมาับัตุลบุคุณ و ลอฮกฟรุฮะลมอัลลอฮจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพร้อยๆในการสาบานของพวกเจ้า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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول ولا يحل لهن أن ي ْ ت م ن م ا خلق الله في أضحيهن.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 และบรรดาหญิงที่ถูกหย่างพวกนางต้องรอคอยตนเองสามกุรุและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลล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 และสําหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือกว่าพวกนางขั้นและอลอนนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอัตตลาคมัรรวชาญฟะมซาคุมบิม ع รูฟินเอาทสรี ح มบิอ حس าน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 คือขอบเขตของ อ, อัลล่ะพวกเจ้าจงอย่าละเมิดมันและผู้ใดาละเมิดขอบเขตของอัลล่ะแล้วใสชนเหล่านั้นแหละคือผู้อธรรมแก่ตัวเองฟะอินตลกหาฟะลาทหิลละหูมินบ่าดหักต้าสันคิฮะเจาัวจันอยร่ะ ف َ إ ِ ن ْ طَلَقَهَا ّ ف َ ل َ ا ج ُ ن َ ا ح َ عَلَيْهِ مَا أ َ ن ي َ ت َ رَاجَعَ ا إ ِ ن ْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ أ َ ي ُ ق ِ ي م َ ا حُدُودَ اللَّهِ و َ ت ِ ل ْ ك َ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ทรงแ จ, ก, จ, ก, ง จ, ก, จ, ก, จกแจงมันอย่างแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่ทราบดี َلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَسْتَخِذُوا آيَاتِ هُزْوَا وَادْكُرُوا وَمَا نِعْمَةَ และไมْตัดُินใจด้ว ا ل นเ ا งแต่จะต้องพึ่งพาพระเจ้ ل พระเจ้าทรงเป็นْู้ทَงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง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 و َ إ ذ َ ا طَلَقْتُمُ ا ل ن س َ ا ء ُ فَبَلَغْنَ أ َ ج ْ ل َ ه ُ ن ّ فَلَا ت َ ع ْ ض ُ ل ُ ه ُ ن فَلَا ت َ ع ْ ض ُ ل ُ ه ُ ن أ َ ي َ ا ك ِ ح ْ ن َ أ َ ز و َ ا ج َ ه ُ ن ّ إِذَا ت َ ر ا ض َ و ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ب ِ ا ل م َ ع ر ُ و ف ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าได้ยาพันยาแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกาหนดเวลาอิดเดชของพวกนางแล้ว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 والوالدات يضيعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ضوالة د بولدها ولا مولود ل ه بولده وعلى ا ل و ا ر ث مثل ذلك فإن أرادت ا صالا عن ت ر ا ض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ت س ت ر ض ع و ن และมานดาทั้งหลายนั้นจใจ้นมแก่ลูกๆของนางเป็นระยะเวลาสองปีเต็ม สำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้หนุและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมาดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องโดยลูกของนางและพ่อของเด็ก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 والذين يتوّفون منكم ويذعون أ ز و ا ج ا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرار فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 الله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا ع َ ر َّ ض ْ ت ُ م ْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ ن ِ س َ ا ء ِ أَوْ أَكْنَتُمْ ن ْ فِي أ َ ن ْ و َ س ِ ك ُ م ْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَا كِلَّا ن تُوَاعِدُهُنَّ و سِرًا إِلَّا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة لك ا حتى ح يبلغ الكتاب أجله و ا ع ل م و ا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا ว ع ل م و ا أن الله غفور حليم และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นในยะในการขอแต่งงานดิบและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงาไว้ในใจของพวกเจ้าอลลอฮฺทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบแต่ถ้าว่าพวกเจ้าย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับ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 ل ا, ا م م ل ا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومسعهن على الموسع قدره وعلى ا ل م ق ت ِ ر قدره م ت ع ا بالمعروف حقا على المحسنين ไม่มีบาบใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหาพวกเจ้าอย่าพัญญา โดยที่พวกเจ้ายัางมิได้แต่ต้องนางหรื อ, อยังมิได้กำหนดสินสอนดใดๆแก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อํานวยประโยชน์แก่พวกนางโดยหน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกําลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกําลังความสามารถของเขาทั้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม و َ إ ِ ن ْ ق َ ل َ ق ْ ت ُ م ُ ه ُ ن َّ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ف َ ل ِ ص ْ ف ُْ م َ ا فَرَضْتُمْ إِلَّا และถ้าหาพวกเจ้าอยาพวกนานก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนาง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 เราส่งเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำลลและพู้เจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้และละหมาดที่อยู่ ก, กลางจงยืนละหมาดเพื่อเราโดยนอบนอ้อินคุมจาลนเอุบา ถ้าผู้เจ้ากลัวก็จงเดินละมาดหรือขี่พานะครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงดำลึกถึงอัลลอฮดังที่พรง์ได้สงสอนพวกเจ้าสิ่งซึ่งที่พวกเจ้ามิเคยรู้มาก่อน والذين ي ت و ف ّ و ن منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خ ر ج ن َ فلجنح ا عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم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 อโลทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจออจอลมด เจ้านีิได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือทั้งๆ ท, ที่พวกเขาเป็นพันพันคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วเราก็ได้ประกาศสิทิแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงอลัลลอ์นั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์แต่เพราะว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางเกาะลอเถิดและพึงทราบเถิดว่า แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มีใค ร, ร, ร, ร, รลลบ้บ า, บางไหมที่ให้อลัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแลวพระองค์จะทรงเพิ่มภู น, นีนั้น ให้แก่เขามากมายหลายเท่าแล้วล้วนั้นทรงกรมไว้และทรงแบกออกและอย่างพปร่งเท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปออออลลลมสรนดด إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا ت ق ا ت ل و ا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا و أ ب ن ا ِ ن ا ف แล้วเมื่อขึ้นไป عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين เจ้ามุฮัมมัดมิได้มองดูพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสรออีนหลังจากที่มูซาได้จากไปแล้วดอกหนึ่งขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งว่า โปรดสง่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทา ง, องเอาะเขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกเจ้านั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่าและมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระ น, น, นั้นหรือที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในหุนทา ง, งเกาะล็ ครั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเรครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกาหนดแก่เขาแล้วพวกเขาก็ผินหลังให้นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและอโละนั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้นวกกกออออลลลลลฮุุุมมมนนนบบีิิดตาู قالوا أن ا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه و ل ن ي ؤ ت س ع من المال قال إن الله ا ص ف ا ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتيم ل ك ه م يشاء والله واسع عليم และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้สรงส่งตอลุตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไร ทั้ง้ทงที่พวกเราเป็นผู้สมควรแก่อำนาจนั้นยิ่งกว่าเขาและเขาก็ไม่ได้รับสับสมบัติอันมากมายนบเบียองเขากล่าวอัลลอฮได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าและได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีกซึ่งความรู้อย่างกว้างขวางและร่างกายที่กหยำแล้วร้อ น, นั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 ذَٰلِكَ และนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้น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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُلُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا ش َ ر ِ ب َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ يَقْتَرَ ف َ غ ُ ر ْ ف َ ة َ بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إلَّا ِ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاهَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا ل َ ا ق َ ا ق َ ل َ ن َ ا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ ي َ ظ ُ ن ُ و ن َ أ َ ن َّ ه ُ م ُّ لَا ق ُ ل ْ ل َّ ه ِ كَمْ مِثْأَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ كَمْ ครั ل ل أ ا ้นเมื่อตอลุธได้นำกำลังทหารออกไปเขาได้กล่าวว่าแท้จริงอั๋อจะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึง่งผู้ใดดื่ม น, น้ำจากแม่น้ำนั้นเขาไม่ใช่พวกของฉันและผู้ใด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 และเมื่อพวกเขาได้ออกไปเผชิญหน้ากับยาลุและไพรคลของเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้บาลของเราโปรดประทานความอดทนให้แก่พวกเราด้วยเถิด และโปรดให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดช่วยพวกเราให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายฟาฮจมูฮฺ بإذن الله وقتل داود وجالوت و آ ت ا ه الله الملك والحكمة و آ ت ا ه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء และพวกเขาก็ยังความปราชัยแก่พวกนั้นด้วยอนุมัติของอัลลอ์และดาวูดได้ฆ่ายาดูดและอัลลอ์ได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาและทรงสอนเขาจากสิ่งที่ปรุง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 นั่นละคือบรรดาองค์การของอัลเลาซึ่งเราจะอ่านองค์การเหล่านั้นให้เจ้าฟังด้วยความจริงและแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาศาสนาทูต ท, ทั้งหลายซิลกัรรุลฟัดดัลลาบะอฎออะลาบะอฎมินฮุมนันคลัลลัมอัลลอวราะบะอฎอฮมดรจาต وأنتينا عيسى بن مصيما البينان وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينان ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر บรรดาศาสนาทูดเหล่านั้นเราได้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนในหมู่เขานั้นก็มีผู้ที่อัลลอฮตรัส ด, ด้วยและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นและเราได้หลักฐานอันชัดแจ้งแก่บุตรของอีสา บุตรของมารยาทและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์และหากว่าล้อทรงประสงค์แล้วบรรดาชนหลังจากพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกันแล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหากว่าล้อทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกัน แต่เทว اؤه الله نسّع تطام تي برون ُ و ن ب س يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة.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 ไม่มีการบังคับใดๆในศาสนาอิสลามแน่นอนความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจายแจ้งแล้วจากความผิด ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตตอหูตและศรัทธาต่อลอแล้วแน่นอนเขาได้ยึดเอาห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการแยกออกเกิดขึ้นแก่มันและอัลล อ, อ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮฺวะลีอุลูที่นาอามนูยุขริจหฺมมินอัลดุลมาตีลันนูร Allah นั إلى ่นคือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยนำพวกเขาออกจากความมืดสู่แสงสว่าง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 ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آ ت ا ه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ي ويميت قال أنا أحي و أ م ي ت ข้อิบราฮิม فإن الله يأتي بالشمس من البشري فأتي بها من المغرب ف أ ت ِ بها من المغرب فبُهِتَ الذي كفر والله لا يهذل القوم الظالمين เจ้าไ ม, ม่ได้มองดูผู้โตแยงอิบรฮ ม, น ม, ฮ ม, น ม, ฮมในเรื่องของพระผู้อวยพของเขาดอกหนึ่ง เนื่องจากอาลัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันนั้นคือผู้ที่ทรงให้เป็นและทรงให้ตายได้เขากล่าวว่าข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบราฮิมกล่าวว่าที่จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงนําดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออก และจงนำมันมาทานทิศตะวันตกเถิดแล้วผู้ปฏิเสธถานนั้นก็ได้รับความงมและอล้อนนั้นจะไม่ทรงประธานแนวทางอันถูกต้องแก่ผู้ อ, อาธรรม ท, าทั้งหลาย فأماته اللهم مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث ت يوما أو بعض يوم قال بل لبث ت مئة عام ف ا ن ظ ر ّ ل ى طعامك وشرابك لم يتسن و ا ن ظ ر ّ ل ى حمارك ولن جعلك آية للناس و ัด ظ ์อีลา ل ั ظ ด م ม كيف نشزها ثم نسوا لحمها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير หรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่งโดยที่มันพังทับลงมาบนหลังคาของมันเขาได้กล่าวว่า อลัลลอฮ์จะส่งให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่มันได้พังพินาศไปแล้วและอลัลลอฮ์ก็ส่งให้เขาตายไปเป็นเวลาร้อยปีภายหลังพระองค์ทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงถามว่าเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดเขาตอบว่าฉันพักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าไม่ได้ เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีเจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและจงมองดูลาของเจ้าสิเพื่อเราใช้เจ้านั้นเป็นสัญญาณหนึง่งสำหรับเราและจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นดูว่าเรากำลังยกมันไว้หน้าที่ของมันและประกอบมันขึ้นแล้วมีเนื้อหุ้มหอมันอย่างไร ครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขาเขาก็กล่าวว่าฉันทราบแล้วแท้จริงอโลอนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ا جعل على كل جبل منهن جزء ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعهن يأتيك ن س ع ي ا واعلم أن الله عزيز حكيم และจงดำลึกถึงขนาที่อิบรหิมกล่าวว่าโอ้พระผู้บาญของฉันโปรดได้ส่งให้ฉันได้เห็นเถิดว่าพระองค์จะส่งให้มนรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่เชื่อดอกอิบริฮิมกล่าวว่าหาไม่ได้แต่ถ้าว่าเพื่อวัดใจของฉันจะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัว แล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและตับมันเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางส่วนหนึ่งไว้บนภูเขาทุกลูกแล้วเจ้าจงเรียกมันมันก็จะมาอย่างเจ้าโดยเร่งรีบและผึงทราบเถิดว่าที่จริงอัลอนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญ مثل الذين يُفقُون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل ن ب ُ ل ة مئة حبة والله يضعف ا ل م ن يشاء والله آسى عليم อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางขออัลลอ์นั้นดังอุปไหมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีจำนวนร้อยเมล็ดและอัลลอ์นั้นทรงเพิ่มภูนแก่ผู้ที่โปร่งทรงประสงค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ ا ل ذ ي ن يُنفِقُونَ أ م و ا ل َ ه ُ م فِي سَبِيلِ ا ل ل َ ه ث ُ م ّ لَا ي ُ ت ب ع و ن َ مَا أ َ ن ف ق ُ و ا م ن ن و َ ل َ أ ذ ا ل َ ه م ْ أ َ ج ر ُ ه ُ م ع ن د َ ر ب ِ ه ِ م ْ وَلَا خ َ و ْ ف ع ل َ ي ه ِ م وَلَا هُمْ ي ح ز ن و ن บรรดาผู้บริจาคทรัพของเขาไปในทางของหล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 ผู้ทรงหนักแน่นเสมอยา أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق كَالَّذِي ي ن ف ِ ق ُ مَالَهُ رِئاً ا ل ن ا س و ل َ ا ي ُ ؤ م ِ ن ُ ب ِ ا ل ل ه ِ وَالْيَوْمِ ا ل آ خ ِ ر وا บันดาู้สถาทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกของเจ้าไร้ผลด้วยการลำเลิก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 ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา و ت ْ ب ت م من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل ف آ ت ت أكلها ض ي ع َ ي ن ف آ ت ت أكلها ض ي ع َ ي ن فإن لم يصدها وابل فطن والله بما تعملون بصير และอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความพึงพอใจจากอรและเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นอุปมาสวนแห่งหนึ่งณนะที่เนินสูงซึ่งมีฝนตกหนักลงมาประสบแก่มันแล้วก็นํามาซึ่งผลของมันเป็นสองเท่าแต่ถ้ามิได้มีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มัน ก็มีผลปลอยๆและอลัลลอ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำไอ้วัดอะฮัดุคุมอันตคูลเลหูจันนตุมินน خيلو وأعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار الأ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وله ُ ر ي ة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار تحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ت ت ف ك ر و ن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 توفقوا من طيبات ما كسبتم و م ِ ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه ت ن ف ق و ن ولست بأحدهه إلا أن ت غ م ض و ا فيه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 ทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าเองก็ไม่เป็นผู้ที่รับมันไว้นอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตารับมันไว้เท่านั้นและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ส่งมัง่งคั่งผู้ส่งได้รับการส่งเสริญ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 และความกรุณาจากพระองค์และสิ่งอลรรอนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ยจริห์ค์มัตไม่ยาชาวไม่ยอติลหิค์มัต فقدؤتي خيرا كثيرا وما يذكّر إلا أهل الألباب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 อิ่บด้วยศัรที่ฟังอิ ม, มา وإئتخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم و, و, و ي ُ ك ف ر ع ل ك م م ن س ي ئ ا ت ك م و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر หาพเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นเรื่องที่ดี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 หาเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าใหม่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 มันก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอายุตีธรรมลิลฟุคราอิลลีลออซิรุฟิสบิลลลาอิลายลสติยูนัฎบัติล้อดลายลสติยูนัฎบัติล้อดยอัพซับุหุมุลจาฮิลอัฟมิอามินอัลเตาะฟ การให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในหนทางขอลอกโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปดินแดนอืนอ่นๆเพื่อประกอบอาชีพได้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 พวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้ยบานของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียจกกบลใจ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الزباد وأحلا الله البيع و ح ر م َ الزباد فمن جاءه م و ع َ ة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลอัลลอฮจะทรงให้ดอกเบีย้ยลดน้อยลงและหมดความจำเลยแต่จะทรงให้บรรดาเป็นทานเพิ่มพูนขึ้นและอัลลอฮนั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณ ผู้กระทำบาปทุกคนอินนั้ลทีนอัมานุแะกุมุสซาลิฮัตและกุมุสซาลัตและกุมุสซักะตละหุมอัจรุหุมละหุมอัจรุหุมินเรบิมะลอุอลัยมลุยจนแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและดำรงละหมาด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 พึงยังเกรงและล้อเธอและจงงดดอกเบีย้ยที่เหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วถ้าพวกเจ้ามีได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้เถิเด ซึ่งสงครามจากอัลลอฮ์และศาสนาทูตของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าก็ได้ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าคือโดยที่พวกเจ้าจะไม่อารทมและไม่ถูกก ร, ร<ว>ะทะ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 และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮ์ในวันนั้นแล้วแต่และชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้ขวนขวายไว้ โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลยยา أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمّن فكتبوه و َ ا ل َ ي ْ ك تُبْ ب ي ن َ ك ُ م ْ كَاتِبٌ ب ِ ا, ب أ ل ع َ د ْ ل وَلَا ي َ أ ب َ كَاتِبٌ أ َ ي ي َ ك ت ُ ب َ كَمَا عَلَّمَهُ ا ل ل َّ ه الله. ف َ ل ْ ي َ ك ْ ت ُ ب ُ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ و َ ل ْ ي َ ت َّ ق ِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ ش َ ي ْ ء ا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ س َ ف ِ ي ً ا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أ َ ي ُ م ِ ن ه ُ و ف َ ل ْ ي ُ م ْ ل ِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ و َ ا س َّ ت ْ ه ِ د ُ ش َ ه ِ ي د ي ا م ِ ر ِْ ج َ ا ل ِ ك ُ م ْ فإن لم يكن ر ج ل ِ فرجل و ا م ر أ َ ا ن من تضلون من الشهداء أتضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبش شهدا ء إذا ما دعو ولا ت س أ م و ا أن ت ك ت ب و ه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م للشهادة وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا أن تكون تجارا حاضرة تديرونها بينكم فليت عليكم جناح ألا ت ت ب و ه ا وأشهد و ا إذا تبايعتم ولا ي ض ر ك ا ت ب ولا شهيد وإن ِ تفعلوا ََُْ فإن َِ له ُ فسوق ٌُُ بكم ُِْ واتقوا ََّ الله واتقوا الله ويعلّمكم ُُُ الله َُّ والله ََُّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عليم َِเมื่อพวกเจ้าต่าง ม, มีหนี้สินกันจะด้วยหนี้สินใดก็ตามจนถึงกำหนดเวลาชายหนี้ที่ระบุไว้ก็จงบันทึกหนี้สินนั้นไว และผู้เขียนก็จงบันทึกระหวา่างพวกเจ้าโดยเที่ยงธรรมและผู้เขียนคนหนึ่งคนใดจงอยากปฏิเสธที่จะบันทึกตามที่อรรถได้ทรงสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิ์เหนือเขาบอกให้บันทึกและเขาจงยำเกรงอรรถพระผู้วิบากของเขาและจงอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้น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 และหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอนมันก็เป็นบาวอันฝ่าฝืนด้วยด้วยสาเหตุจากพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอเถิดและและอัลลอฮนั้นจะเป็นเจ้าให้ทวามรู้เจ้าพวกแต้ม إ ن َّ ا ل م َ ل و ا ت ُ م ل و ل و د م ك ا ن و م ل خ ر ا ي ر ا ب ا ن م ر ه ل ع ل م م و ا ل أ د ي ن ا د ي ن ا ل ي ل ي ا ل ْ أ ن ا د ي ن ا ا د ي ن ا ا ن ا ا ل ا ن ي ل ا เจ้าในระหว่คงสถานทบวาว่าแต่ไม่ทบเอาข้าพี่จะเอาไว้ไม่มีประโยชน์่ากับบัตความใยความไว้จงไวลุจงไว้ก็ได้ วันก็จากของทุกเดียก็จาก็จบทุกเดียเองยเป็นจบเองคพูดของเขายำเตนูพดและือจงเขาเจ้ากับไปและนับน่วยและก็จะก็จะพูดจิตก็จะตะเลาะเป็นทะเลาะทะเลาะกัน คุณใดต้ <BE> 100. นรอดเจ้าคุณในรอบหรือที่อยู่ 100. พวกรอบจะไม่สิ่งที่อยู่รอคพวกที่อยู่ในในในในบ้าน จะอยวกนี้เอ้ยเอาปฐมฐานริบไปส่วนใจตัดึกขยันของเจ้าเอาพระไปมาเจ้าแก่ไปแอบหรือจะสอบผู้ที่แก่เปกพวเอาเอาตรงมาเอาประที่โปร่งผู้ทงผู้ทีเป็นก้อนอันลบนต่งอันผ้ท م ن َ ا ل ْ ب َ ح ف ل ت ب ل ه م ا ل ل ا ت ر ل م ا ق ْ ر ْ ض ل ا ت ر ل ه ا ر ا ت ر ل م ْ ا و َ ا ت ب ل ه م ا و ا ت َ ط ا ل ْ و ل ا ت ل الْأَرْضُ و ت َ ط َ ر ل م ا ل ر و َ ل ت َ และตุรังตุรรังเตรัตตรัตรังตันตรตตัตตตุตุรังตุรตุรังรังตุรัตุตุรัตุตุตตุรังตุรังตุรังั إنا من آلهنا الطاهرة أهل الخصل نعم و ن ع ق س م ن ا لطهته على الذين من قبلى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا